1. สุตตันตนิเทศแสดงพระสูตรภิกษุเจริญวิปัสสนามีสมถะนำหน้าเป็นอย่างไรคือความที่จิตเป็นเอขะคตารมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งเนคขัมมะเป็นสมาธิชื่อว่าวิปัสนาเพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นธรรมที่เกิดในสมาธินั้นโดยความไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นอนัตตาดดือประการดังนี้ สมถะจึงมีก่อนวิปัสสนามีภายหลังเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าเจริญวิปัสสนามีสมถะนำหน้าคำว่าเจริญอธิบายว่าภาวนาการเจริญมีสี่อย่างคือหนึ่งชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าทาทั้งหลายที่เกิดในภาวนานั้นไม่ล่วงเลยกันสองชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่า ปินซีทั้งหลายมีรถเป็นอย่างเดียวกัน 3. ชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่านำความเพียรที่สมควรแก่ธรรมนั้นเข้าไป 4. ีชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าปฏิบัติเนืองเนืองคำว่ามักย่อมเกิดอธิบายว่ามักย่อมเกิดอย่างไรคือมักชื่อว่าสัมมาทิฏฐิเพราะมีสภาวะเห็นย่อมเกิด มักชื่อว่าสัมมาสังกัปปะเพราะมีสภาวะตรตรองย่อมเกิดมักชื่อว่าสัมมาวาจาเพราะมีสภาวะกำหนดย่อมเกิดมักชื่อว่าสัมมากัมมันตะเพราะมีสภาวะเป็นสมุดฐานย่อมเกิดมักชื่อว่าสัมมาอาชีวะเพราะมีสภาวะผ่องแผ่ย่อมเกิดมักชื่อว่าสัมมาวายามะเพราะมีสภาวะประคองไว้ย่อมเกิด มักชื่อว่าสัมมาสติเพราะมีสภาวะตั้งมั่นย่อมเกิดมักชื่อว่าสัมมาสมาธิเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านย่อมเกิดมักย่อมเกิดอย่างนี้คำว่าเธอปฏิบัติเจริญทำให้มากซึ่งมักนั้นอธิบายว่าภิษุปฏิบัติอย่างไรเพื่อพิษุนั้นเมื่อนึกถึงชื่อว่าปฏิบัติเมื่อรู้ชื่อว่าปฏิบัติ เม ge ื ien ien ien ่อเห็นชื่อว่าปฏิบัติเมื่อพิจารณาชื่อว่าปฏิบัต i̇şte ิเมื่ออธิษฐานจิตชื่อว่าปฏิบัติเมื mm ่อน้อมใจเชื่อด้วยศรัทธาชื่อว <you> <t> ่าปฏิบัติเมื่อประคองความเพียรไว้ชื่อว่าปฏิบัติเมื่อตั้งสติไว้มั่นชื่อว่าปฏิบัติเมื่อตั้งจิตไว้มั่นชื่อว่าปฏิบัติเมื่อรู้ชัดด้วยปัญญาชื่อว่าปฏิบัติ เมื่อรู้ยิ่งทำที่ควรรู้ยิ่งชื่อว่าปฏิบัติเมื่อกำหนดรู้ทำที่ควรกาหนดรู้ชื่อว่าปฏิบัติเมื่อละทำที่ควรละชื่อว่าปฏิบัติเมื่อเจริญทำที่ควรเจริญชื่อว่าปฏิบัติเมื่อทำให้แจ้งทำที่ควรทำให้แจ้งชื่อว่าปฏิบัติภิกษุปฏิบัติอย่างนี้คาว่าเจริญอธิบายว่าภิกษุเจริญอย่างไร เพื่อพิสษุนนั้นเมื่อนึกถึงชื่อว่าเจริญเมื่อรู้ชื่อว่าเจริญเมื่อเห็นชื่อว่าเจริญเมื่อพิจารณาชื่อว่าเจริญเมื่ออธิษฐานจิตชื่อว่าเจริญเมื่อน้อมใจเชื่อด้วยศรัทธาชื่อว่าเจริญเมื่อประคองความเพียรไว้ชื่อว่าเจริญเมื่อตั้งสติไว้มั่นชื่อว่าเจริญเมื่อตั้งจิตไว้มั่นชื่อว่าเจริญ เมื um ่อร e ู้ชัดด้วยปัญญาชื่อว่าเจริญเมื่อรู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งชื่อว่าเจริญเมื่อกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ชื่อว่าเจริญเมื่อละธรรมที่ควรละชื่อว่าเจริญเมื่อเจริญธรรมที่ควรเจริญชื่อว่าเจริญเมื่อทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งชื่อว่าเจริญภิกษุเจริญอย่างนี้ คำว่าทําให้มากอธิบายว่าภิกษุทําให้มากอย่างไรเผื่อพิกษุนั้นเมื่อนึกถึงชื่อว่าทําให้มากเมื่อรู้ชื่อว่าทําให้มากเมื่อเห็นชื่อว่าทําให้มากเมื่อพิจารณาชื่อว่าทําให้มากเมื่ออธิษฐานจิตชื่อว่าทําให้มากเมื่อน้อมใจเชื่อด้วยศรัทธาชื่อว่าทําให้มาก เมื่อประคองความเพียรไว้ชื่อว่าทำให้มากเมื่อตั้งสติไว้มั่นชื่อว่าทำให้มากเมื่อตั้งจิตไว้มั่นชื่อว่าทำให้มากเมื่อรู้ชัดด้วยปัญญาชื่อว่าทำให้มากเมื่อรู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งชื่อว่าทำให้มากเมื่อกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ชื่อว่าทำให้มากเมื่อละธรรมที่ควรละชื่อว่าทำให้มาก เมื่อเจริญธรรมที่ควรเจริญชื่อว่าทำให้มากเมื่อทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งชื่อว่าทำให้มากภิกษุทำให้มากอย่างนี้คำว่าเมื่อเธอปฏิบัติมากนั้นอนุสัยย่อมสิ้นไปอธิบายว่าภิกษุย่อมละสังโยชน์ได้อย่างไรอนุสัยย่อมสิ้นไปได้อย่างไรคือย่อมละสังโยสานี้คือสักกายติทิวิจิกิจชา และศีลปตะปรามาต์อนุใสสองนี้คือทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยย่อมสิ้นไปด้วยโสดาปฏิมักย่อมละสังโยชน์สองนี้คือกามราคะสังโยชน์และปฏิฆะสังโยชน์ส่วนหยับหยับอนุใสสองนี้คือกามราคานุสัยและปฏิฆานุสัยส่วนหยับหยับย่อมสิ้นไปด้วยสกธ า, าคามิมัก ย่อมละสังโยชนี้คือการมราคะสังโยชน์และปฏิฆะสังโยชน์ส่วนละเอียดละเอียดอนุใสสองนี้คือกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยส่วนละเอียดละเอียดย่อมสิ้นไปด้วยอนาคามิมักย่อมละสังโยชนห้านี้คือรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจจะและอวิชฌะอนุใสสามนี้คือมานานุสัย ภวะราคานุสัยและอวิชานุสัย่อมสิ้นไปด้วยอรหัตมรักษ์พิสุย่อมละสังโยชน์ได้อย่างนี้อนุสัยย่อมสิ้นไปอย่างนี้ความที่จิตเป็นเอกคตารมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งอภยบาศเป็นสมาธิความที่จิตเป็นเอกคตารมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งอารกะสัญญาเป็นสมาธิความที่จิตเป็นเอกคตารม ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งความเป็นผู้พิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าด้วยอำนาจแห่งความเป็นผู้พิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกเป็นสมาธิชื่อว่าวิปัสสนาเพราะมีความหมายว่าพิจารณาเห็นธรรมที่เกิดในสมาธินั้นโดยความไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นอนัตตาด้วยประการดังนี้สมาะจึงมีก่อน วิปัสสนามีภายหลังเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าเจริญวิปัสสนามีสมถะนำหน้าคาว่าเจริญอธิบายว่าภาวนาการเจริญมีสี่อย่างคือหนึ่งชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าทำทั้งหลายที่เกิดในภาวนานั้นไม่ล่วงเลยกันสองชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าอินทรีย์ทั้งหลายมีรสเป็นอย่างเดียวกัน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 มักชื่อว่าสัมมาสมาธิเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านย่อมเกิดมักย่อมเกิดอย่างนี้คำว่าเธอปฏิบัติเจริญทำให้มากซึ่งมักนั้นอธิบายว่าภิกษุปฏิบัติอย่างไรคือภิกษุนั้นเมื่อ น, นึกถึงชื่อว่าปฏิบัติเมื่อรู้ชื่อว่าปฏิบัติเมื่อทำให้แจ้งทำที่ควรทาให้แจ้งชื่อว่าปฏิบัติภิกษุปฏิบัติอย่างนี้ คำว่าเจริญอธิบายว่าพิสุเจริญอย่างไรคือพิสุนั้นเมื่อนึกถึงชื่อว่าเจริญเมื่อรู้ชื่อว่าเจริญเมื่อทำให้แจ้งทำที่ควรทำให้แจ้งชื่อว่าเจริญพิสุเจริญอย่างนี้คำว่าทำให้มากอธิบายว่าพิสุทำให้มากอย่างไรคือพิสุนั้นเมื่อนึกถึงชื่อว่าทำให้มากเมื่อรู้ชื่อว่าทำให้มาก เมื่อทำให้แจ้งทำที่ควรทำให้แจ้งชื่อว่าทำให้มากภิกษุทำให้มากอย่างนี้คำว่าเมื่อเธอปฏิบัติมรคนั้นอนุสัยย่อมสิ้นไปอธิบายว่าภิกษุย่อมละสังโยชน์ได้อย่างไรอนุสัยย่อมสิ้นไปอย่างไรคือย่อมละสังโยสามนี้คือสักยทิฐิวิจิกิจฉาและศีลปะตะปรามาสอนุสัยสองนี้ เพอทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยย่อมสิ้นไปด้วยโสดาปฏิมักย่อมละสังโยชนนี้คือกามราคะสังโยชน์และปฏิฆะสังโยชน์ส่วนหยาบหยาบอนุใสสองนี้คือกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยส่วนหยาบหยาบย่อมสิ้นไปด้วยสกทาคามิมักย่อมละสังโยชนนี้คือกามราคะสังโยชน์และปฏิฆะสังโยชน์ส่วนละเอียดละเอียด อนุสัยสองนี้คือการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยส่วนละเอียดละเอียดย่อมสิ้นไปด้วยอนาคาไม่มักย่อมละสัมโยชนิ้นี้คือรูปปราคะอรูปราคะมานะอุทจจะและอวิชชาอนุสัยสามนี้คือมา น, นานุสัยภวะราคานุสัยและอวิชานุสัยย่อมสิ้นไปด้วยอรหัตตมักภิกษุย่อมละสัมโยชนได้อย่างนี้ อนุสัยย่อมสิ้นไปอย่างนี้พิกสุชื่อว่าย่อมเจริญวิปัสนามีสมถะนำหน้าอย่างนี้ภิกสุนั้นเจริญสมถะมีวิปัสนานำหน้าเป็นอย่างไรคือชื่อว่าวิปัสนาเพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นโดยความไม่เที่ยงชื่อว่าวิปัสนาเพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นโดยความเป็นทุกข์ชื่อว่าวิปัสนา เพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาสภาวะที่จิตปล่อยทมทั้งหลายที่เกิดในวิปัสสนานั้นเป็นอารมณ์และสภาวะที่จิตเป็นเอกาคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านเป็นสมาธิวิปัสสนาจึงมีก่อนสมถะมีภายหลังด้วยประการดังนี้เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าเจริญสมถะมีวิปัสสนานำหน้า คำว่าเจริญอธิบายว่าภาวนาการเจริญมีสี่อย่างคือชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าปฏิบัติหนึ่งเนืองคำว่ามักย่อมเกิดอธิบายว่ามักย่อมเกิดอย่างไรมักย่อมเกิดอย่างนี้ภิกษุย่อมละสังโยชน์ได้อย่างนี้อนุสัยย่อมสิ้นไปอย่างนี้ ชื่อว่าวิปัสสนาเพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นรูปโดยวความไม่เที่ยงชื่อว่าวิปัสสนาเพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นรูปโดยวความเป็นทุกข์ชื่อว่าวิปัสสนาเพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นรูปโดยวความเป็นอนัตตาสภาวะที่จิตปล่อยทำทั้งหลายที่เกิดในภาวนานั้นเป็นอารมณ์และสภาวะที่จิตเป็น เ, เอกคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านเป็นสมาธิ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 ภิกษุย่อมละสังโยชน์ leader, ได้อย่างนี้อนุสัยย่อมสิ้นไปอย่างนี้ชื่อว่าวิปะสะัสส น, นาเพราะมีสภาวะพิจารณาเห็ น, นววมมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจักขุชื่อว่าวิปัสสนาเพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นชราและมรณะโดยความไม่เที่ยงชื่อว่าวิปัสสนาเพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นชราและมรณะโดยความเป็นทุกข์ ชื่อว่าวิปัสนาเพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นชาและมรณะโดยความเป็นอนัตตาสภาวะที่จิตปล่อยธรรมทั้งหลายที่เกิดในภาวนานั้นเป็นอารมณ์และสภาวะที่จิตเป็นเอกขตารมไม่ฟุ้งซ่านเป็นสมาธิวิปัสนาจึงมีก่อนสมถะมีภายหลังเดือประการดังนี้เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าเจริญสมถะมีวิปัสนานำหน้า คำว่าเจริญอธิบายว่าภาวนาการเจริญมีสี่อย่างชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าปฏิบัติหนึ่งๆคำว่ามักย่อมเกิดอธิบายว่ามักย่อมเกิดอย่างไรมักย่อมเกิดอย่างนี้ภิกษุย่อมละสังโยชน์ได้อย่างนี้อนุสัยย่อมสิ้นไปอย่างนี้ภิกษุเจริญสมถะมีวิปัสสนานำหน้าอย่างนี้ พิกษุเจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กันไปเป็นอย่างไรคือพิสุเจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กันไปด้วยอาการสิบหกอย่างได้แก่หนึ่งด้วยมีสภาวะเป็นอารมณ์สองด้วยมีสภาวะเป็นโพจรสาด้วยมีสภาวะละสี่ด้วยมีสภาวะสละหด้วยมีสภาวะออกหก ด้วยมีสภาวะหลีกออกเจ็ดด้วยมีสภาวะเป็นธรรมละเอียดแปดด้วยมีสภาวะเป็นธรรมประณนี่เก้าด้วยมีสภาวะหลุดพ้นสิบด้วยมีสภาวะไม่มีอาสวะสิบเอ็ดด้วยมีสภาวะเป็นเครื่องข้ามสิบสองด้วยมีสภาวะไม่มีนิมิตสิบสามด้วยมีสภาวะไม่มีปัิญหิตะ สิด้วยมีสภาวะเป็นสุญญติสิบห้าด้วยมีสภาวะมีรสเป็นอย่างเดียวกันสิบหด้วยมีสภาวะเป็นคู่กันไม่ล่วงเลยกันภิกษุเจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กันไปด้วยมีสภาวะเป็นอารมณ์เป็นอย่างไรคือเมื่อพิสุและอุทจจะจึงมีสมาธิคือความที่จิตเป็นเอกคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่าน มีนิโรธเป็นอารมณ์เมื่อพิกษุนั้นและอวิชชาจึงมีวิปัสสนาเพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นมีนิโรธเป็นอารมณ์ด้วยประการดังนี้สมถะและวิปัสสนาจึงมีรสเป็นอย่างเดียวกันเป็นคู่กันไม่ล่วงเลยกันด้วยมีสภาวะเป็นอารมณ์ดังนี้เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าภิกษุเจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กันไป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 พิสุเจริญสมถะและวิปัสนาคู่กันไปด้วยมีสภาวะเป็นอารมณ์อย่างนี้พิสุเจริญสมถะและวิปัสนาคู่กันไปด้วยมีสภาวะเป็นโครจรเป็นอย่างไรคือเมื่อพิสุละอุทจจะจึงมีสมาธคิคือความที่จิตเป็นเอกกคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านมีนิโรธเป็นโครจรเมื่อพิษุละอวิชา จึงมีวิปัสสนาเพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นมีนิโรธเป็นโครจรด้วยประการดังนี้สมถะและวิปัสสนาจะมีรถเป็นอย่างเดียวกันเป็นคู่กันไม่ล่วงเลยกันด้วยมีสภาวะเป็นโครจรดังนี้เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กันไปด้วยมีสภาวะเป็นโครจร ภิกเจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กันไปด้วยมีสภาวะละเป็นอย่างไรคือเมื่อภิกษุละกิเลสที่ประกอบด้วยอุทาจฉาและขันจึงมีสมาธิเื่อความที่จิตเป็นเอกคตารม์ไม่ฟุ้งซ่านมีนิโรธเป็นโคจรเมื่อภิกษุละกิเลสที่ประกอบด้วยวิชาและขันจึงมีวิปัสสนาเพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นมีนิโรธเป็นโคจร เรื่อประการดังนี้สมถะและวิปัสสนาจึงมีรถเป็นอย่างเดียวกันเป็นคู่กันไม่ล่วงเลยกันด้วยมีสภาวะละดังนี้เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กันไปด้วยมีสภาวะละภิกษุเจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กันไปด้วยมีสภาวะสละเป็นอย่างไร คือเมื่อพิสุสลักกิเลสที่ประกอบด้วยอุทะจะและขันจึงมีสมาธิคือความที่จิตเป็นเอกรคกตารมไม่ฟุง้งซ่านมีนิโรธเป็นโคโจรเมื่อพิสุสลักกิเลสที่ประกอบด้วยอวิชชาและขันจึงมีวิปัสสนาเพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นมีนิโรธเป็นโคโจรด้วยประการดังนี้สมถะและวิปัสสนาจึงมีรสเป็นอย่างเดียวกันเป็นคู่กัน ไม่ล่วงเลยกันด้วยมีสภาวะสละดังนี้เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าจเจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กันไปด้วยมีสภาวะสละกพิสุจเจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กันไปด้วยมีสภาวะออกเป็นอย่างไรคือเมื่อพิสุออกจากกิเลสที่ประกอบด้วยอุทจจะและจากขันจะมีสมาธิคือความที่จิตเป็นเอกคตารมไม่ฟุง้งซ่าน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 จเจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กันไปด้วยมีสภาวะออกภิกษุจเจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กันไปด้วยมีสภาวะหลีกออกเป็นอย่างไรคือเมื่อภิกษุหลีกออกจากกิเลส ท, ที่ประกอบด้วยอุทจฉะและจากขันจึงมีสมาธิคือความที่จิตเป็นเอกคตารม์ไม่ฟุง้งซ่านมีนิโรธเป็นโคจร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 ด้วยมีสภาวะหลีกออกภิกสุเจริญสมถะและวิปัสนาคู่กันไปด้วยมีสภาวะเป็นธรรมละเอียดเป็นอย่างไรคือเมื่อพิกสุและอุทจจรจึงมีสมาธิคือความที่จิตเป็นเอกคตารมไม่ฟุ้งซ่านเป็นธรรมละเอียดมีนิโรธเป็นโคจรเมื่อพิสุและอวิชชาจึงมีวิปัสนาเพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นเป็นธรรมละเอียด มีนิโรธเป็นโครจรด้วยประการดังนี้สมถะและวิปัสสนาจึงมีรอเป็นอย่างเดียวกันเป็นคู่กันไม่ล่วงเลยกันด้วยมีสภาวะเป็นธรรมละเอียดดังนี้เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กันไปด้วยมีสภาวะเป็นธรรมละเอียดภิกษุเจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กันไปด้วยมีสภาวะเป็นธรรมประณี เป็นอย่างไรคือเมื่อภิสุละอุทจจะจึงมีสมาธิคือความที่จิตเป็นเอกคตารมณ์ไม่ฟุง้งซ่านเป็นธรรมปรานีตมีนิโรธเป็นโคโจรเมื่อพิสุละอวิชชาจึงมีวิปัสสนาเพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นเป็นธรรมปรานีตมีนิโรธเป็นโคโจรดรวยประการดังนี้สมาะและวิปัสสนาจะมีรสเป็นอย่างเดียวกันเป็นคู่กัน ไม่ล่วงเลยกันด้วยมีสภาวะเป็นธรรมปรานีดังนี้เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กันไปด้วยมีสภาวะเป็นธรรมปราณีภิกษุเจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กันไปด้วยมีสภาวะหลุดพ้นเป็นอย่างไรคือเมื่อภิกษุละอุทจจะจึงมีสมาธิคือความที่จิตเป็นเอกคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่าน หลุดพ้นจากกลามาสวะมีนิโรธเป็นโคจรเมื่อพิสุและอวิชชาจงมีวิปัสสนาเพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นหลุดพ้นจากอาวิชชาสวะมีนิโรธเป็นโคจรด้วยประการดังนี้ชื่อว่าเจโตวิมุตต์เพราะมีสภาวะปราศจากราคะชื่อว่าปัญญาวิมุตต์เพราะมีสภาวะปราศจากอาวิชชาด้วยประการดังนี้ สมาะและวิปัสสนาจึงมีรัเป็นอย่างเดียวกันเป็นคู่กันไม่ล่วงเลยกันด้วยมีสภาวะหลุดพ้นดังนี้เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าจเจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กันไปด้วยมีสภาวะหลุดพ้นพิษุจเจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กันไปด้วยมีสภาวะไม่มีอาสวะเป็นอย่างไรคือเมื่อพิกษุและอุทจจะ จึงมีสมาธิคือความที่จิตเป็นเอกขตารม์ไม่ฟุ้งซ่านไม่มีอาสวะด้วยกามาสวะมีนิโรธเป็นโคจรเมื่อพิสูและอวิชชาจึงมีวิปัสสนาเพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นไม่มีอาสวะด้วยอวิชชาสวะมีนิโรธเป็นโคจรด้วยประการดังนี้สมถะและวิปัสสนาจึงมีรถเป็นอย่างเดียวกันเป็นคู่กันไม่ล่วงเลยกัน ด้วยมีสภาวะไม่มีอาสวะดังนี้เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กันไปด้วยมีสภาวะไม่มีอาสวะพิษุเจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กันไปด้วยมีสภาวะเป็นเครื่องข้ามเป็นอย่างไรคือเมื่อพิสุข้ามจากกิเลสที่ประกอบด้วยอุทจฉาและจากขันจึงมีสมาธิคือความที่จิตเป็นเอกราคตารม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 เจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กันไปด้วยมีสภาวะเป็นเครื่องข้ามภิกษุเจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กันไปด้วยมีสภาวะไม่มีนิมิตเป็นอย่างไรคือเมื่อพิสุละอุทจจะจึงมีสมาธิคือความที่จิตเป็นเอกคตารม์ไม่ฟุ้งซ่านไม่มีนิมิต ด, ด้วยนิมิตทั้งปวงมีนิโรธเป็นโคจร เมื่อพิสุจ์และอวิชชาจึงมีวิปัสสนาเพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นไม่มีนิมิต ด, ด้วยนิมิตทั้งปวงมีนิโรธเป็นโคโจรด้วยประการดังนี้สมถะและวิปัสสนาจึงมีรสเป็นอย่างเดียวกันเป็นคู่กันไม่ล่วงเลยกันด้วยมีสภาวะไม่มีนิมิต ด, ดังนี้เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กันไป ด้วยมีสภาวะไม่มีนิมิตพิกษุเจริญสมถะและวิปัสนาคู่กันไปด้วยมีสภาวะไม่มีปนิหิตะเป็นอย่างไรเพือเมื่อพิกษุละอุทจจะจึงมีสมาธิคือความที่จิตเป็นเอะขะคตารม์ไม่ฟุ้งซ่านไม่มีปนิธิด้วยปนิธิทั้งปวงมีนิโรธเป็นโคจรเมื่อพิกสุละอวิชาจึงมีวิปัสนา เพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นไม่มีปณิธิด้วยปณิธิทั้งปวงมีนิโรธเป็นโคจรด้วยประการดังนี้สมถะและวิปัสสนาจึงมีรถเป็นอย่างเดียวกันเป็นคู่กันไม่ล่วงเลยกันด้วยมีสภาวะไม่มีปณิหิตะดังนี้เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กันไปด้วยมีสภาวะไม่มีปณิหิตะ พิสุเจริญสมถะและวิปัสนาคู่กันไปด้วยมีสภาวะเป็นสุญญต์เป็นอย่างไรคือเมื่อพิสุละอุทจจะจึงมีสมาธิคือความที่จิตเป็นเอกขตารม์ไม่ฟุ้งซ่านว่างจากอภิณิเวททั้งปวงมีนิโรธเป็นโคจรเมื่อพิสุละอวิชาจึงมีวิปัสนาเพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นว่างจากอภิณิเวศทั้งปวง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 เอหนึ่งชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าทำทั้งหลายที่เกิดในภาวนานั้นไม่ล่วงเลยกันสองชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าอินทรีย์ทั้งหลายมีรถเป็นอย่างเดียวกันส <icho> ชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่านำความเพียรที่สมควรแก่ธรรมนั้นเข้าไปส <subscribing> ชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าปฏิบัติหนึ่งเนือง คำว่ามารรคย่อมเกิดอธิบายว่ามารรคย่อมเกิดอย่างไรมรรคย่อมเกิดอย่างนี้ภิกษุย่อมละสังโยชน์ได้อย่างนี้อนุสัยย่อมสิ้นไปอย่างนี้ภิกษุเจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กันไปด้วยมีสภาวะเป็นสุญญตะอย่างนี้ภิกษุเจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กันไปด้วยอาการสิหกอย่างนี้ พิสุเจเรญจะมถะและวิปัสนาคู่กันไปอย่างนี้สุตันตนิเทศจบสองธรรมมุตทัจวาระนิเทศสแสดงอุทจจะในธรรมกั้นไว้ พิกษุมีใจถูกอุทจฉาในธรรมก้นไว้เป็นอย่างไรคือเมื่อพิสษุมานาจการโดยความไม่เที่ยงโอภาสย่อมเกิดขึ้นพิกษุนึกถึงโอภาสว่าโอภาสเป็นธรรมเพราะนึกถึงโอภาสนั้นความฟุ้งซ่านเป็นอุทจฉาพิกษุมีใจถูกอุทจฉานั้นกั้นไว้ย่อมไม่รู้ชัดความปรากฏโดยความไม่เที่ยงตามความเป็นจริงไม่รู้ชัดความปรากฏ โดยความเป็นทุกข์ตามความเป็นจริงไม่รู้ชัดความปรากฏโดยความเป็นอนัตตาตามความเป็นจริงเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่ามีใจถูกอุทจฉาในธรรมกั้นไว้ในเวลาที่จิตตั้งมั่นสงบอยู่ภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผลขึ้นตั้งมั่นอยู่มักก็เกิดแก่เธอมักย่อมเกิดอย่างไรมักย่อมเกิดอย่างนี้ภิกษุย่อมละสังโยชน์ได้อย่างนี้ อนุสัยย่อมสิ้นไปอย่างนี้เมื่อมานาจการโดยความไม่เที่ยงยานความรู้ย่อมเกิดขึ้นปีติความอิ่มใจย่อมเกิดขึ้นปัสสติความสงบกายสงบใจย่อมเกิดขึ้นสุขความสุขย่อมเกิดขึ้นอธิโมกความน้อมใจเชื่อย่อมเกิดขึ้นปักขหะความเพียรที่พอดีย่อมเกิดขึ้นอุปทานสติแก่กล้าย่อมเกิดขึ้น อุเบขาความมีใจเป็นกลางย่อมเกิดขึ้นนิกันติความติดใจย่อมเกิดขึ้นภิสุนึกถึงนิกันติว่านิกันติเป็นธรรมเพราะนึกถึงนิกันตินั้นความฟุ้งซ่านเป็นอุทจฉาพิสุมีใจถูกอุทจฉานั้นกั้นไว้อย่างนี้ย่อมไม่รู้ชัดความปรากฏโดยความไม่เที่ยงตามความเป็นจริงไม่รู้ชัดความปรากฏโดยความเป็นทุกข์ตามความเป็นจริง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 เมื่อมานัตสกานเดลความเป็นทุกข์เมื่อมานัตสกานเดลความเป็นอนัตตาโอภาย่อมเกิดขึ้นญาณย่อมเกิดขึ้นปีติย่อมเกิดขึ้นปัสสถานย่อมเกิดขึ้นสุขย่อมเกิดขึ้นอธิโมกย่อมเกิดขึ้นนิคหะย่อมเกิดขึ้นอุปทานย่อมเกิดขึ้นอุเบขาย่อมเกิดขึ้นนิกันติย่อมเกิดขึ้นภิกษุนึกถึงนิกันติว่า อั น, นิกันติเป็นธรรมเพราะนึกถึงนิกันตินั้นความฟุ้งซ่านเป็นอุทจจะภิกษุมีใจถูกอุทจจะนั้นกั้นไว้ย่อมไม่รู้ชัดความปรากฏโดยความเป็นอนัตตาตามความเป็นจริงไม่รู้ชัดความปรากฏโดยความไม่เที่ยงตามความเป็นจริงไม่รู้ชัดความปรากฏโดยความเป็นทุกข์ตามความเป็นจริงเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่ามีใจถูกอุทจจะในธรรมกั้นไว้ ทิสุ himself, ย่อมละสังโยชน์ได้อย่างนี้อน air, ุสัย pues ย่อมสิ้นไปอย่างนี้เมื่อมนัสการรูปโดยความไม่เที่ยงเมื่อมนัสการรูปโดยความเป็นทุกข์เมื่อมนัสการรูปโดยความเป็นอนัตตาเมื่อมนัสการเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจักขุเมื่อมนัตสการชราและมรณะโดยความไม่เที่ยงเมื่อมนัสการชราและมรณะโดยความเป็นทุกข์ เมื่อมณาจุการชราและมรณะโดยความเป็นอนัตตาโอภาสย่อมเกิดขึ้นญาณย่อมเกิดขึ้นปีติย่อมเกิดขึ้นปัจจทิย่อมเกิดขึ้นสุขย่อมเกิดขึ้นอธิโมกย่อมเกิดขึ้นปัจะหาย่อมเกิดขึ้นอุปทานย่อมเกิดขึ้นอุเบขาย่อมเกิดขึ้นนิกรันติย่อมเกิดขึ้นพิจูนึกถึงนิกันติว่า นิกันติเป็นธรรมเพราะนึกถึงนิกันตินั้นความฟุ้งซ่านเป็นอุทจฉะภิกษุมีใจถูกอุทจฉานั้นกั้นไว้ย่อมไม่รู้ชัชราและมรณะซึ่งปรากฏโดยความเป็นอนัตตาตามความเป็นจริงไม่รู้ชัชราและมรณะซึ่งปรากฏโดยความไม่เที่ยงตามความเป็นจริงไม่รู้ชัชราและมรณะซึ่งปรากฏโดยความเป็นทุกข์ตามความเป็นจริง เพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่ามีใจถูกอุทจฉาในธรรมกั้นไว้ในเวลาที่จิตตั้งมั่นสงบอยู่ภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพดขึ้นตั้งมั่นอยู่โดยความไม่เที่ยงมักก็เกิดแก่เธอมักย่อมเกิดอย่างไรมรักย่อมเกิดอย่างนี้ภิกษุละสังโยชน์ได้อย่างนี้อนุสัยย่อมสิ้นไปอย่างนี้ภิกษุ มีใจถูกอุทจฉาในธรรมกั้นไว้อย่างนี้จิตเยื่อมขดแกว่งวันไหวเพราะโอภาษเพราะยานเพราะปิติเพราะปัสสติเพราะสุขเพราะอธิโมกเพราะปะขะหะเพราะอุปทานเพราะอุเบคาเพราะน้อมนึกถึงอุเบขาและนิคันติภิกษุนั้นกําหนดฐานะสิประการนี้ด้วยปัญญาแล้วย่อมเป็นผู้ฉลาดในอุทจฉาในธรรม และย่อมไม่ถึงความหลงไหลจิตขวัดแกว่งเจ้ามองจิตภาวนาย่อมเคลื่อนจิตกวัดแกว่งไม่เจ้ามองจิตภาวนาย่อมเสื่อมไปจิตบริสุทธิ์ไม่เจ้ามองจิตภาวนาย่อมไม่เสื่อมไปจิตไม่ฟุ้งซ่านไม่เจ้ามองจิตภาวนาย่อมไม่เคลื่อนด้วยฐานะสี่ประการนี้ภิกษุย่อมรู้ชัดความที่จิตขวัดแกว่งฟุ้งซ่าน ถูกโอภาสเป็นต้นกา้นไว้ด้วยฐานะสิประการนี้ชะนี้แหลธรรมมุทตัจวารนิเทศจบยุคพัน ฐ, ฐกถาจบสองสัจจกถาว่าด้วยสัจจะเหตุเกิดขึ้นเหมือนในสูตรข้างต้นภิกษุทั้งหลายสัจจะสประการนี้เป็นของแท้ไม่ผิดไม่เป็นอย่างอื่น สัจจะีประการอะไรบ้างคือหนึ่งสัจจะว่านี้ทุกเป็นของแท้ไม่ผิดไม่เป็นอย่างอื่นสองสัจจะว่านี้ทุกขสมุทัยเป็นของแท้ไม่ผิดไม่เป็นอย่างอื่นสสัจจะว่านี้ทุกขนิโรธเป็นของแท้ไม่ผิดไม่เป็นอย่างอื่นสสัจจะว่านี้ทุกขนิโรธาคาไม่มีปฏิปทา เป็นของแท้ไม่ผิดไม่เป็นอย่างอื่นภิกษุทั้งหลายสัจจะสี่ประการนี้แลเป็นของแท้ไม่ผิดไม่เป็นอย่างอื่นหนึ่งปฐมมาสุตันตนิเทศแสดงสูตรที่หนึ่งทุก์ชื่อว่าสัจจะเพราะมีสภาวะเป็นของแท้เป็นอย่างไรคือสภาวะที่ทนได้ยากแห่งทุกสี่ประการเป็นของแท้ไม่ผิด ไม่เป็นอย่างอื่นได้แก่หนึ่งสภาวะที่บีบคั้นแห่งทุกข์สองสภาวะที่ปัจจัยปรุงแต่งแห่งทุกข์สสภาวะที่ทําให้เดือดร้อนแห่งทุกข์สสภาวะที่แปรผันแห่งทุกข์สภาวะที่ทนได้ยากแห่งทุกข์สี่ประการนี้เป็นของแท้ไม่ผิดไม่เป็นอย่างอื่นทุกข์ชื่อว่าสัจจะเพราะมีสภาวะเป็นของแท้อย่างนี้ สมุทยชื่อว่าสัจจะเพราะมีสภาวะเป็นของแท้เป็นอย่างไรคือสภาวะที่เป็นเหตุเกิดแห่งสมุทยสี่ประการเป็นของแท้ไม่ผิดไม่เป็นอย่างอื่นได้แก่หนึ่งสภาวะที่ประมวลมาแห่งสมุทย 2. สภาวะที่เป็นเหตุเกิดแห่งสมุทย 3. สภาวะที่เกี่ยวข้องแห่งสมุทย สภาวะ ท, <ไ Career S 3> ที่พัวพันแห่งสมุทัยสภาวะที่เป็นเหตุเกิดแห่งสมุทัยสี่ประการนี้เป็นของแท้ไม่ผิด ไ, ไม่เป <es> ็นอย่างอื่นสมุทัยชื่อว่าสัจจะเพราะมีสภาวะเป็นของแท้อย่างนี้นิโรชื่อว่าสัจจะเพราะมีสภาวะเป็นของแท้เป็นอย่างไรคือสภาวะที่เป็นความดับแห่งนิโรสี่ประการเป็นของแท้ไม่ผิดไม่เป็นอย่างอื่น ได้แก่หนึ่งสภาวะที่เป็นเครื่องสลัดออกแห่งนิโรธสองสภาวะที่เป็นวิเวกแห่งนิโรธสสภาวะที่เป็นอสังกระะแห่งนิโรธสสภาวะที่เป็นอมตะแห่งนิโรธสภาวะที่เป็นความดับแห่งนิโรธสี่ประการนี้เป็นของแท้ไม่ผิดไม่เป็นอย่างอื่นนิโรธชื่อว่าสัจจะเพราะมีสภาวะเป็นของแท้อย่างนี้ มักชื่อว่าสัจจะเพราะมีสภาวะเป็นของแท้เป็นอย่างไรคือสภาวะที่เป็นทางแห่งมักสี่ประการเป็นของแท้ไม่ผิดไม่เป็นอย่างอื่นได้แก่หนึ่งสภาวะที่นำออกแห่งมักสองสภาวะที่เป็นเหตุแห่งมักสาสภาวะที่เห็นแห่งมักสี 4. สภาวะที่เป็นใหญ่แห่งมัก สภาวะที่เป็นทางแห่งมรสีประการนี้เป็นของแท้ไม่ผิดไม่เป็นอย่างอื่นมร์ชื่อว่าสัจจะเพราะมีสภาวะเป็นของแท้อย่างนี้สัจจะสี่มีการรู้แจ้งด้วยยานเดียวพร้อมด้วยอาการเท่าไรคือสัจจะสี่มีการรู้แจ้งด้วยยานเดียวพร้อมอาการสี่อย่างได้แก่หนึ่งด้วยสภาวะเป็นของแท้ 2. ด้วยสภาวะเป็นอนัตตา 3. ด้วยสภาวะเป็นของจริง 4. ด้วยสภาวะรู้แจ้งสัจจะสี่ท่านสงเคราะห์เข้ากับอาการสี่อย่างนี้สัจจะใดท่านสงเคราะห์เข้าด้วยกันสัจจะนั้นเป็นสภาวะเดียวพระโยคาวจรย่อมรู้แจ้งสัจจะที่เป็นสภาวะเดียวด้วยญาณเดียวเพราะเหตุนั้นสัจจะสี่จึงมีการรู้แจ้งด้วยญาณเดียว สัจจะสี่มีการรู้แจ้งด้วยยานเดียวพร้อมด้วยสภาวะเป็นของแท้เป็นอย่างไรคือสัจจะสี่มีการรู้แจ้งด้วยยานเดียวพร้อมด้วยสภาวะเป็นของแท้ด้วยอาการสี่อย่างได้แก <ge ar> ่หนึ่งสภาวะที่ทนได้ยากแห่งทุกข์มีสภาวะเป็นของแท้สองสภาวะที่เป็นเหตุเกิดแห่งสมุทัยมีสภาวะเป็นของแท้ สสภาวะที่เป็นความดับแผงนิโรธมีสภาวะเป็นของแท้สสภาวะที่เป็นทางแห่งมักมีสภาวะเป็นของแท้สัจจะสี่ท่านสงเคราะห์เข้ากับสภาวะเป็นของแท้ด้วยอาการสี่อย่างนี้สัจจะใดท่านสงเคราะห์เข้าด้วยกันสัจจะนั้นเป็นสภาวะเดียวพระโยคาวจรย่อมรู้แจ้งสัจจะที่เป็นสภาวะเดียวด้วยยานเดียว เพราะเหตุน e> AH ั้นสัจจะสี่จึงมีการรู้แจ้งด้วยยานเดียวสัจจะสี่มีการรู้แจ้งด้วยยานเดียวพร้อมด้วยสภาวะเป็นอนัตตาเป็นอย่างไรคือสัจจะสี่มีการรู้แจ้งด้วยยานเดียวพร้อมด้วยสภาวะเป็นอนัตตาด้วยอาการสี่อย่างได้แก่หนึ่งสภาวะที่ทนได้ยากแห่งทุกข์มีสภาวะเป็นอนัตตา สสภาวะที่เป็นเหตุเกิดแห่งสมุทัยมีสภาวะเป็นอนัตตาสสภาวะที่เป็นความดับแห่งนิโรธมีสภาวะเป็นอนัตตา 4. สภาวะที่เป็นทางแห่งมัสมีสภาวะเป็นอนัตตาสัจจะสท่านสงเคราะห์เข้ากับสภาวะเป็นอนัตตาด้วยอาการสี่อย่างนี้สัจจะใดท่านสงเคราะห์เข้าด้วยกันสัจจะนั้นเป็นสภาวะเดียว พระโยคาวจรย่อมรู้แจ้งสัจจะที่เป็นสภาวะเดียวด้วยยานเดียวเพราะเหตุนั้นสัจจะสี่จึงมีการรู้แจ้งด้วยยานเดียวสัจจะสี่มีการรู้แจ้งด้วยยานเดียวพร้อมด้วยสภาวะเป็นของจริงเป็นอย่างไรคือสัจจะสี่มีการรู้แจ้งด้วยยานเดียวพร้อมด้วยสภาวะเป็นของจริงด้วยอาการสี่อย่างได้ แ, แก่หนึ่ง สภาวะที่ทนได้ยากแห่งทุกขมีสภาวะเป็นของจริงสองสภาวะที่เป็นเหตุเกิดแห่งสมุทัยมีสภาวะเป็นของจริงสามสภาวะที่เป็นความดับแห่งนิโรธมีสภาวะเป็นของจริงสี่สภาวะที่เป็นทางแห่งมรรคมีสภาวะเป็นของจริงทัจจ์สท่านสงเคราะห์เข้ากับสภาวะเป็นของจริงด้วยอาการสี่อย่างนี้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 ด้วยอาการสี่อย่างได้แก่ 1. สภาวะที่ทนได้ยากแห่งทุกข์มีสภาวะรู้แจ้ง 2. สภาวะที่เป็นเหตุเกิดแห่งสมทัยมีสภาวะรู้แจ้ง 3. สภาวะที่เป็นความดับแห่งนิโรธมีสภาวะรู้แจ้ง 4. สภาวะที่เป็นทางแห่งมรรคมีสภาวะรู้แจ้งซัจะสี่ 4. ท่านสงเคราะห์เข้ากับสภาวะรู้แจ้ง ด้วยอาการสี่อย่างนี้ศัจจะใดท่านสงเคราะห์เข้าด้วยกันศัจจานั้นเป็นสภาวะเดียวพระโยคาวจรย่อมรู้แจ้งศัจจะที่เป็นสภาวะเดียวด้วยญาณเดียวเพราะเหตุนั้นศัจจ์สี่จึง ม, รรจมีการรู้แจ้งด้วยญาณเดียวศัจจ์สี่มีการรู้แจ้งด้วยญาณเดียวเป็นอย่างไรเพื่อสัจจะใดไม่เที่ยงศัจจานั้นเป็นทุกข์ศัจจะใดเป็นทุกข์ สัจจะนั้นไม่เที่ยงสัจจะใดไม่เที่ยงและเป็นทุกข์สัจจะนั้นเป็นอนัตตาสัจจะใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาสัจจะนั้นเป็นของแท้สัจจะใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและเป็นของแท้สัจจะนั้นเป็นของจริงสัจจะใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นของแท้และเป็นของจริงสัจจะนั้นท่านสงเคราะห์เข้าด้วยกัน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 ด้วยสภาวะเป็นของแท้สองด้วยสภาวะเป็นอนัตตาสด้วยสภาวะเป็นของจริงสี่ด้วยสภาวะรู้แจ้งหด้วยสภาวะเป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่งหด้วยสภาวะเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้เจ็ดด้วยสภาวะเป็นธรรมที่ควรละแปดด้วยสภาวะเป็นธรรมที่ควรเจริญ ด้วยสภาวะเป็นธรรมที่ควรทำให้แจ <NG> ้งสัจจะ 4, ส, ะาา ส, สจะี่ท่านสงเคราะห์เข้ากับอาการก้าวอย่างนี้สัจจะใดท่านสงเคราะห์เข้าเดืยกันสัจจะนั้นเป็นสภาวะเดียวพระโยคา ว, วจรย่อมรู้แจ้งสัจจะที่เป็นสภาวะเดียวด้วยยานเดียวเพราะเหตุนั้นสัจจะสี่จึงมีการรู้แจ้งด้วยยานเดียวสัจจะสี่มีการรู้แจ้งด้วยยานเดียว พร้อมด้วยสภาวะเป็นของแท้เป็นอย่างไรคือจัตจะีมีการรู้แจ้งด้วยยานเดียวพร้อมด้วยสภาวะเป็นของแท้ด้วยอาคารเก้าอย่างนี้ได้แก่ 1. สภาวะที่ทนได้ยากแห่งทุกข์มีสภาวะเป็นของแท้ 2. สภาวะที่เป็นเหตุเกิดแห่งจมุกไทยมีสภาวะเป็นของแท้ 3. สภาวะที่เป็นความดับแห่งนิโรธมีสภาวะเป็นของแท้ สสภาวะที่เป็นทางแห่งมัคมีสภาวะเป็นของแท้ห้าสภาวะที่ควรรู้ยิ่งแห่งอภิญญามีสภาวะเป็นของแท้หกสภาวะที่ควรกำหนดรู้แห่งปริญญามีสภาวะเป็นของแท้เจ็สภาวะที่ควรละแห่งปหานะมีสภาวะเป็นของแท้แปสภาวะที่ควรเจริญแห่งภาวนามีสภาวะเป็นของแท้ สภาวะที่ควรทำให้แจ้งแห่งสัติกิริยามีสภาวะเป็นของแท้สัจจะสี่ท่านสงเคราะห์เข้ากับสภาวะเป็นของแท้ด้วยอาการก้าอย่างนี้สัจจะใดท่านสงเคราะห์เข้าด้วยกันสัจจะนั้นเป็นสภาวะเดียวพระโยคาวจรย่อมรู้แจ้งสัจจะที่เป็นสภาวะเดียวด้วยยานเดียวด้วยเหตุนั้นสัจจะสี่จึงมีการรู้แจ้งด้วยยานเดียว สัจจะสี่มีการรู้แจ้งด้วยยานเดียวพร้อมด้วยสภาวะเป็นอนัตตาพร้อมด้วยสภาวะเป็นของจริงสัจจะสี <c <c ่มีการรู้แจ้งด้วยยานเดียวพร้อมด้วยสภาวะรู้แจ้งเป็นอย่างไรคือสัจจะสี่มีการรู้แจ้งด้วยยานเดียวพร้อมด้วยสภาวะรู้แจ้งด้วยอาการเก้าอย่างได้แก่หนึ่งสภาวะที่ทนได้ยากแห่งทุกมีสภาวะรู้แจ้ง สสภาวะที่เป็นเหตุเกิดแห่งสมุทัยมีสภาวะรู้แจ้งสสภาวะที่เป็นความดับแห่งนิโรธมีสภาวะรู้แจ้งสสภาวะที่เป็นทางแห่งมรรคมีสภาวะรู้แจ้งหสภาวะที่ควรรู้ยิ่งแห่งอภิญญามีสภาวะรู้แจ้ง 6. สภาวะที่ควรกําหนดรู้แห่งปริญญามีสภาวะรู้แจ้ง7 สภาวะที่ควรละแห่งปะหานะมีสภาวะรู้แจ้งแปดสภาวะที่ควรเจริญแห่งภาวนามีสภาวะรู้แจ้ง 9. ก้าสภาวะที่ควรทำให้แจ้งแห่งสัจจกิริยามีสภาวะรู้แจ้งสัจจะสี่ท่านสงเคราะห์เข้ากับสภาวะรู้แจ้งด้วยอาการก้าอย่างนี้สัจจะใดท่านสงเคราะห์เข้าด้วยกันสัจจะนั้นเป็นสภาวะเดียว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 สามด้วยสภาวะเป็นของจริงสี่ด้วยสภาวะรู้แจ้งห้าด้วยสภาวะเป็นเครื่องรู้ยิ่งหกด้วยสภาวะเป็นเครื่องกาหนดรู้เจ็ดด้วยสภาวะเป็นธรรมแปดด้วยสภาวะเป็นเหมือนอย่างนั้นเก้าด้วยสภาวะเป็นธรรมที่รู้แล้วส응ิบด้วยสภาวะเป็นธรรมที่ควรทำให้แจ้งสิบเอ็ดด้วยสภาวะถูกต้อง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 สัจจะสมีการรู้แจ้งด้วยยานเดียวพร้อมด้วยสภาวะเป็นของแท้เป็นอย่างไรคือสัจจะสี <the> ่ม <t> ีการรู ä, <the> ้แจ้งด้วยยานเดียวพร้อมด้วยสภาวะเป็นของแท้ด้วยอาการสหกอย่างได้แก่หนึ่งสภาวะที่บีบคั้นแห่งทุกข์มีสภาวะเป็นของแท้ 2. สภาวะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแห่งทุกข์มีสภาวะเป็นของแท้ สสภาวะที่ทำให้เดือดร้อนแห่งทุกข์มีสภาวะเป็นของแท้ 4. สภาวะที่แปรผันแห่งทุกข์มีสภาวะเป็นของแท้ 5. สภาวะที่ประมวลมาแห่งสมุทัยมีสภาวะเป็นของแท้ 6. สภาวะที่เป็นเหตุเกิดแห่งสมุทัยมีสภาวะเป็นของแท้ 7. สภาวะที่เกี่ยวข้องแห่งสมุทัยมีสภาวะเป็นของแท้ สภาวะที่พัวพันแห่งสมุทัยมีสภาวะเป็นของแท้ 9. สภาวะที่เป็นเครื่องสลัดออกแห่งนิโรธมีสภาวะเป็นของแท้ 10. สภาวะที่เป็นวิเวกแห่งนิโรธมีสภาวะเป็นของแท้ 11. อสภาวะที่เป็นอสังขตะแห่งนิโรธมีสภาวะเป็นของแท้ 12. สสภาวะที่เป็นอมตะแห่งนิโรธ มีสภาวะเป็นของแท้สิบสามสภาวะที่นำออกแห่งมรรคมีสภาวะเป็นของแท้สิบสี่สภาวะที่เป็นเหตุแห่งม <orman> รรคมีสภาวะเป็นของแท้สิบห้าสภาวะที่เห็นแห่งมรรคมีสภาวะเป็นของแท้สิบหกสภาวะที่เป็นใหญ่แห่งมรรคมีสภาวะเป็นของแท้